1> 6 1จุหนึ่งอย่าประมาทในธรรมวงเล็บเปิดสิบกุมภาพันธ์สอห้าอห้าสิบจุดจุดนาทีสิบหวงเล็บปิดเราต้องกล้าหาญนะต้องเสียสละอย่ามวัวแต่เพลินเพลินเพลินแพลบเดียวก็แก่แล้วแก่แล้วไม่มีเรียวมีแรงจะปฏิบัติดังนั้นต้องภาคเพียนเอาตั้งแต่ยังมีแรงอยู่มีหลายคนเลยตอนยังแข็งแรงอยู่ชวนให้ปฏิบัติไม่เอานะเพอเจ็บหนักมากรอแร่รอแ ร, ร่มาถามว่าจะภาวนาอย่างไร โอ้จะภาวนายอย่างไรเตรียมตายได้แล้วจิตใจมีแต่ทุรนทุรายทําอะไรไม่ไหวแล้วเหมือนไม่หัดว่ายน้ําไว้ก่อนพอตกน้ําแล้วมาถามหาวิธีว่ายน้ําก็ตายเท่านั้นเองดังนั้นภาวนาอย่าประมาทนะเราไม่รู้ว่าชีวิตเรายาวแค่ไหนตายเมื่อใดก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องแก่แล้วถึงจะตายถ้าเผลอๆแผ ล, ลดียวนะแก่ไปแล้วหรือตายไปแล้วก็เสียโอกาสชาติไหนจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกยังไม่แน่เลยเกิดเป็นคนยากนะ สัตว์เต็มโลกตเต็มจักรวาลมีคนอยู่ไม่กี่พันล้านคนมินิดเดียวเองสัตว์นี่เยอะแยะไปหมดเลยในวัดหลวงพ่อเนี่ยสัตว์คงเยอะกว่ามนุษย์ทั้งโลกรวมกันมั้งเยอะแยะเลยตัวเล็กตัวน้อยโอกาสที่จะได้เป็นคนนี่ยากที่สุดเป็นคนแล้วสติปัญญาสมประกอบอย่างพวกเรายิ่งยากหนักเข้าไปอีกจะมีสติปัญญาสมประกอบมีกายมีใจสมประกอบแล้วจะสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมหายากนะ ศึกษาแล้วไม่หลงไปทำอะไรผิดผิดถูกถูกศึกษาแล้วได้มาศึกษาเรื่องการเจริญสติรู้กายรู้ใจก็ยากมากลงมือทำก็ยากอีกมีคนน้อยคนที่จะลงมือทำจริงๆเพราะฉะนั้นจากสัตว์นับจำนวนไม่ท่วนบีบมาเป็นคนหลายพันล้านจนมาถึงคนที่ปฏิบัติเข้าถึงธรรมมีในหลักสิบหลักร้อยเท่านั้นนะมีไม่มากหรอกน้อยเต็มทีพวกเราเป็นกลุ่มที่มีโอกาสนะมันบีบเข้ามาจนเป็นครีมนะเป็นจุด ที่มีคนไม่มากแล้วที่เข้ามาได้อย่างนี้พวกเราหลวงพ่อไม่แน่ใจว่าคนทั้งประเทศไทยที่ตื่นแล้วถึงหมื่นคนหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงนี้ด้วยซ้ําไปเดินไปสํานักต่างๆเที่ยวไปดูเรื่อยๆนะไม่ค่อยมีคนที่ตื่นขึ้นมาที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสามารถรู้กายรู้ใจตรงตามความเป็นจริงได้แทบไม่มีพวกเราจํานวนมากที่ตื่นขึ้นมาคือคนกลุ่มน้อยเต็มทีนะพวกเราเพอมีสติขึ้นมาแล้วสิ่งสําคัญคือความต่อเนื่อง ทำเนืองๆรู้บ่อยๆอย่าเลิกรู้เข้าไปในกลุ่มเล็กนิดเดียวซึ่งมีจำนวนหลักพันพวกเรามาเรียนก็ตื่นขึ้นมาถ้าทำไม่ละเลยไม่ทอดทิ้งนะโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมะในชาตินี้ก็มีแต่ถ้าจิตไม่ตื่นไม่มีโอกาสหรอกเมื่ออาทิตย์ก่อนมาสอนมีเด็กมาเรียนเจ็ดสิบกว่าคนคนที่ยังไม่ตื่นนะมีแค่ห้าหกคนเองนอกกนั้นตื่นหมดเลยนะสว่างโพลง่งทั้งห้องเลยสติมันเกิดอัตโนมัติแล้ว อะไรเกิดขึ้นในกายรู้อะไรเกิดขึ้นในจิตรู้นะตื่นมันมีกายเคลื่อนไหวระลึกรู้จิตเคลื่อนไหวระลึกรู้อัตโนมัติระลึกรู้โดยไม่ได้จงใจจะรู้จิตมันจะตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจิตมีสัมมาทิฐิตั้งมั่นขึ้นมานะพอจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตอ่อนจิตเบาจิตคล่องแคล่วว่องไวจิตควรแกการงานจิตไม่ถูกกิเลสครอบงำจิตซื่อจิตตรง จิตใจเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมีสติรู้กายก็เห็นกายตรงตามความเป็นจริงมีสติรู้จิตก็เห็นจิตตรงตามความเป็นจริงพอเห็นตามความเป็นจริงก็จะค่อยๆถอดถอนความเห็นผิดไปเบื้องต้นจะเห็นเลยว่ากายกับจิตไม่ใช่เราจะได้โสดาบันมีสติรู้ลงไปอีกรู้เข้าไปอีกสติมันไวอัตโนมัติเลยกิเลสไหวตัววับสติเห็นทันทีเลยขาดสะบั้นตรงนั้นเลยนะฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเห็นการนี้ทุกล้วนๆเลย จิตวางกายลงไปนะเห็นจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยจิตก็วางจิตลงไปงานนี้ฟังแล้วยากนะไม่ยากหรอกอดทนตั้งใจทานะสามปีเจ็ดปีอะไรอย่างนี้ทำไปไม่ได้นานอะไรเราเรียนหนังสือตั้ง1ิบปี20ปีเราก็เรียนได้ใช่ไหมทำไมเราจะเรียนรู้ตัวเองขนาดไปกับการดารงชีวิตปกติซึ่งไม่ได้กินเวลาเราทำไมเราทําไม่ ไ, มได้ก็เพราะเราไม่อยากทาเองนั่นแหละเราหาข้ออ้างไม่ปฏิบัติเท่านั้น ถ้าไม่หาข้ออ้างนะรู้ลงไปรู้กายรู้ใจพอถึงเวลาทำงานก็ทำไปถึงเวลาต้องติดต่อกับคนอื่นก็ติดต่อไปหมดเวลาไม่ติดต่อกับใครก็มาเรียนรู้ตัวเองไม่เอาเวลาไปเสียปเปล่าหลวงพ่อเป็นคนที่หวงเวลาที่สุดเลยฉะนั้นจะใช้เวลาส่วนใหญ่เรียนรู้ตัวเองไม่ยุ่งกระทั่งไปหาครูบาอาจารย์นะไปประดียประดาวหรอกไปแผบแลพอรู้หลักแล้วก็กลับมาดูของเราเองไม่เสียเวลา ดังนั้นเวลาของแต่ละคนเป็นทรัพยากรที่หายากนะหายากแต่ถ้าพูดอย่างหลวงปู่เทศนะท่านบอกว่าหาง่ายตราบใดที่มีกิเลสนะมันก็มีอีกอันนั้นหมายถึงหาแบบไร้ทิศทางนะจะมีเวลาที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อยู่ในวัยที่เหมาะสมมีสติมีปัญญามีความเพียรมีโอกาสได้ฟังธรรมตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติองค์ประกอบเหล่านี้หายากมากหลวงพ่อคิดว่าคนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะมีไม่ถึงหมื่นคนหรอก จริงๆมีน้อยเต็มทีนะฉะนั้นเราฟังธรรมจนกระทั่งจิตเราตื่นขึ้นมาได้เนี่ยยากมากนี่เป็นจุดแรกเลยที่ยากมากเราต้องเห็นสภาวะตรงตามความเป็นจริงได้โดยไม่ได้เจตนาจิตมันจะตื่นถัดจากนั้นก็ต้องตามรู้ตามดูจนเข้าไปแจ่มแจ้งปล่อยวางได้นี่ยากขึ้นไปอีกนะจะเหลือน้อยลงน้อยลงแล้ว